ละโมตัสสะภะคะวะโรตระหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้าข อ, อนอบน้อมแด่นนดต้เดชพระเวชาภอรันต์ธรมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเอาความตัวคุ้มเจริญตามพระธรรมในสท่านั้งหลายที่จะานในธรรมในโตต่างๆเรื่องการฟังมีสองประการฟังเทศกับฟังธรรม ในที่นี้เรามีการาทัธรรมให้ปฏิบัตธรรมหรือพรวนาไปด้วยนั้นควรจะกลับท่านั่งเป็นท่าสรวมที่เป็นท่าทุกข์เจ้าจงรับใส่จดีว่าพระชงขวาพระชงซ้ายผ่านขาสะบัดซ้ายตั่งตายตรงเขาเรียกว่าเป็นท่าสำรวมนั่งฟังเทศทับเพียบเรียบร้อยพนมมือ ก็เป็นเสวนพิธีรองอันหนึ่งพูดเทก็ต้องไม่พี่ีรองตาลางแต่ว่าการทานี้เป็นเรื่องทวนกระแสะเข้ามาที่เราขั้นให้ยอมให้ทั้งรมขาไม่ต้องใช้ขาทั้ ง, งมือไม่อให้มือสำคัญคือให้ทั้งลมตาจะอยู่กันกี่คนกะตา อยู่กันสองคนก็ตามทำไห้สรมตาแล้วอดคุยกันไม่ได้แต่จะอยู่กันเป็นร้อยเป็นพันนั่นงสรมตาด้วยกันหมดทุกท่านทุกคนแล้วประหนึ่งว่าเราไม่เห็นใครเลยเราไม่ได้ไปให้ต้องอยู่ห่างอยู่แล้วแต่เราต้องรมตายเราเที่ยงคู่อยู่ยตัวเองเราไม่มองใครใครไม่มองเราต่างคนดัางมองตัวเอง อยังไงทางโลกทาเรียนออกรู้ไปข้งนอกแต่ไม่รู้จักทักพ่อ จ, จิตใจทางทำให้เรียนเข้ารู้เท่าสันหามันพิพนาธำรัะจิตใจตนแล้วอาบน้นเต็นตัวนี่ทำมาตลอดเรามีเครื่องช่วยเรื่องภายนอกเยอะแยะแต่เรื่องของจิตใจนั้น มันตกปล ก, ปลกตกเกล็ดทั้งเก่าทั้งใหม่ทับถมนี้เรามีเวลาชนะมันแค่ไหนเพียงไรถ้าไม่มีใครมาแนะนำเตรื่องชจิตแล้วอาจารย์เชียช์เพุุธกับชทวุทธแค่ให้ทางาธินก็เอาแล้วพุทธเจ้ากต็ต้องรับรองแล้วพูดได้ทำทานารักษาศีลกำกับแล้ว จะไม่ตกไปตูวตุกติ ก, กตจะไปตูวตุกติ ก, กตพวกเรานี่เรื่องทานยังพอใช้ได้แต่บ้านเมืองเราวุ่นวายเพราะสินสินไม่ค่อยดีดืท่ทสารยามาบ่อยสติมันก็เสียพูดจามันก็หลอกลวงง่ายพูดมาอยู่ลองมาลอยเรื่องเมื่อเบาแล้วเรื่องํมอามส่วนนําเพศมันก็เอา แน่ไม่ได้คือโอกาสมีแล้วเห็นกำลายชี้เลยอันดีนั้นเขาประพปรุงเส้นธรรมมาถึงขนาดว่าให้แยกแล้ววางว่าคนโสดกับคนแต่งอันแล้วผู้ชายหน้าไม่เป็นไรหรอกธรรมดาธรรมดาแต่ผู้หญิงนี่ถ้าเพื่อว่าไม่มีคื่สัตว์ทางเพศแล้วมันไม่รู้เด็กคนนั้น่ะ ใครเป็นเป็นพ่อกันนะ่คือแม่คนเดียวแต่ลูกถ้ามันแม่ตั้มก่อนแล้วลูกมันไม่รู้วมันใครเป็นพ่อเพราะนั้นเรื่องข้อสามนี้อ่านสนาจึงให้ต่างคนต่างคำนวนระวังก็มันเอาแล้วข้าไม่เมายังพอระวังได้แต่เพราะแต่ก่อนนั้น เขาแยกโรงเรียนเป็นโรงเรียนชายโรงเรียนหญิงกว่าจะเจอกันนั่ต้องจะจบการึษาแล้วแล้วยังต้องเรียนต่ออนี้พวกนั้นทาร์เนใหญ่อาจารย์บอกว่าให้รับเรียนอย่าเรียนรับมันก็ตั้งตัวได้ที่จะค่อยสู่ของกันเป็นเรื่องไปแล้วเดี๋ยวนี้อารศึกษานั้นมันก็เลยพูดคุกันจริง้งกิจกรรม ไปข้างเรียนทำกิจกรรมแก่ชุมชนที่นั่นทีนี้ไม่เป็นไรครูอาจารย์โกงไปจะโกงต่อถึงอะไรอ่ะเพราะนั้นเรื่องของเม า, เาสักตัวเดียวนั้นแล้วงอื่นน้ำพลอยเตี๋วยวก็โดนเงินทองไหลหลอก็คดโกงแล้วทีนี้ยิ่งตำแหน่งใหญ่เรามีควเก่งเราก็สามารถที่จะโกงแนบเนียน กว่าจะได้ทันก็หมดเงินหลวงไว้เยอะแล้วไปได้ทันก็ตวัวบัญชีเจอจะตั้งปลายปีนี่มันรู้ว่ามันโงกันไปตั้งหลายเดือนแล้วก็เพราะอะไรก็มันเรื่องนานไปเที่ยวกินเล่าของยาต่อเงินเดือนจะพอใช้เลยหรอถ้ากินข้าวนะพอกินเลาไปพ อ, อนันเียงแค่สิบหนั่นล่ะ เมื่อไม่เมาแล้วถึงพูดเถียงกันก็ยังไมีสติยักยำแต่พอเมาแล้วเพื่อนกับเพื่อนนถะพี่น้องก็บพี่น้องเถอะข้าเมาแล้วข้าใจนิดเดียวนั่นหละ่ะทำร้ายกันถึงนนั่นล้องตายกันก็มีเป็นข่าวบ่อยๆแต่วา่าเมื่อชาวไทยเราถ้ารักษาติดดีแล้วรับรองปัญหาสังคมจะน้อยลงน้อยลง แต่ว่าเมื่อธาตุพินไม่ดีแล้วจะไม่ปัญหาต้องคอมยะขึ้นไม่ก่อนนะั้นเราจะได้การวันพระทังนักเรียนน้องเรียนก็ผู้บัญชาไม่หยุดวันพระเมื่อหยุดแล้วชาวบ้านจึงมีเวลาเอาเข้าวหม้อแกโถไปใส่บาต ท, ที่วัดในวันนันะ้นอ้าวทหารไปด้วยช่วยเฮียววยาใส่บาต เมื่อเกิดนิจใจเพื่อแหวมาแ ล, วแล้วไหนไปวัดแล้วฟังหลวงพ่ออบรมซะหน่อยสักสิบนาทีสิบห้านาทียังดีหรือไปทำ ก, า ก, การรมจับกระลุงพ่อลงตาก็เมื่อท่านผู้ทรงถทียงทําแล้วเป้นก็ได้ตัวอย่างที่ติดมาไม่มีการทำในเต็มเมาไม่มีการพูดเหลีวไหลเด็กโงขึ้นก็ะไกลเป็น เด็ดนีโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแต่เมื่อสังคมเราเปลี่ยนมาเป็นวันหยุดตามประเทศเจริญแล้วมันเจริญทั้งวัตถุใจเรจริงแต่ทิ้งทำเราไม่เจริญเลยีเรายิ่งอดีตเขาไปโรงเรียนมีเด้นหญิงเดชายนีนเปิลเปกันไปแต่ก่อนนี้กรทรวงเกี่ยวกับาษาเราเรียกกระทรวงธรรมการ รุ่นอัดมานี่ท่านรุ่นกรมการตอนหลังเปลี่ยนตามพวกหัวน อ, อกหลายเป็นองค์ถุลาธิก า, ารแยกศาสนาไม่เกี่ยวแล้วเคยมีครูไปสอนไม่ต้องแล้วครูตอ น, นทำไม่ต้องแล้วให้คะแนนน้อยหน่อยตัางใจเรียนก็ได้ไม่ต่างใจเรียนก็ได้เมื่อเลยมาถึงบันนี้เด็กที่มันตีกันทำไมนักเรียนเนี่ยเด๋ยวนี้มันเริ่มโตขึ้นแะจวนนักกินเมืองแล้ ว, วกเ็เลยตีกันเ อ, เองแล้วสิเนี้ย จากนักเรียนเตีกันก็เป็นเรื่องปัญหาไม่เฉลียเหมือนกันนี่ผู้ใหญ่มันตตีกันมันปัญหาเรืองลี้ยเาเนี้ยก็ไม่รู้ว่ามันจะอมชมกันได้ไก่ไหเนเพียงไรอะไร เ, เพิ่มไม่แก้ปัญหาเส้นทามแล้วไปแก้ปัญหาภายนอกเนี่ยยากยากแล้แก้ปัญหาเส้นทามนั้นก็ต้องอย่างพวกเรานี่มีการกาหนดเวลาอญญา น, านุญาตให้นักาน มาฟังทำม้างบ้างมนล่าอาจารย์มาอบรมบ้างเราก็สมอยากอาจารย์ของเรานี้บ้างทําให้เกิดความสินประโยชน์ว่าเ อ, อเรื่องของสินธรรมเนี่ยมันไปใครกับสินทับนะสินทับมันไปใครหมนลมพุตธาห้าแทบตายหมดลมแล้วไม่รู้ยังใครถ้าสินธรรมเราทำทำไม่ทําบ้าง ก็เห็นว่าสินทรัพย์มันของหายากก็เลยไม่ค่อยรักษาตีนไม่ค่อยทำทานภานาก็เป็นเวลาก็เลยจิตใจมันก็เลยไม่สงบแล้วนะมันไม่ต้องไปหาสนุกหาเพืเ่อนภายนอกแต่ผู้ที่ภาวนา น, นี้ท่านเรียกว่าถ้าทำภาวนานดีแล้วมันจะบันเทิทงธรรมมันเป็นความสุขที่ไม่ต้องมีอามิ ทุกทั้งตาหูจมูกลิ้นกายส่วนใหญ่ตาต้องดูรูปสวย ๆ, ๆหูต้องฟังเลียวรจมูกต้องท้่นหอมลิ้นต้องรับรสอร่อยๆก็ามดต้องคมนวลถ้ไปสบายแต่จิตใจนี้ถ้าไม่ฝึกมันก็พาตาหูจมูกลิ้นกายไปทำโลกยะหมืนกันถ้าฝึกจนเกิด ปีทานแล้วไม่เห็นในตัวแล้วแต่ก่อนรับทานอิ่มของเราคนเดียวแต่พระบอกคุณอิ่มกายมันไม่นานหรอกคุณให้เขาบ้างด้ยวยจะได้อิ่มใจเมื่อทดลองให้ดูตอนหลังทึ่โอ้อิ่มกายมันหมดเวลาเร็วอิ่มใจมันค้างเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีได้ยิ่งทําด้วยศรัทธาผู้รักก็มีทินทํายู่แล้ว ใช้ยินใจไปนานอาบนาา้ําเย็นกายกับเรื่องกายรักษาเทมเนเย็นที่ถึงใจเลยไปไหนมันไหนไม่ต้องหลอดเราเองคนมีอำนาจมีตำแหน่งสูงนี่กล้าเดินตลาดล้าพังหรือเปล่าเดี๋ยวนี้หายากแล้วต้องมีองครักษต้องมีบริการคอยคุ้มครองนะไปคนเดียวก็ เราแวนว่พราะอะไรนะเพราะว่าเราเป็นใหญ่นี่มันก็ต้องจัดระเบียบต้งนนงองครบเรื่หาคนนั้นหนี้บ้างอะไรบ้างรู้ได้ไงว่าเขาจะไม่จองไว้จองกรรมแต่คนมีถิ่นกรรมนั่นเราไม่เมยความคิดมันจะเบียดเบียนใครอย่าว่าไปว่าเ้าหรือทำลายเขาเลยก็เลยปัญหาหน้อย ไป palm, ไหนมาไหนไม่ต้องมีอำนาจหรอกได้ลำพังสบายสบายล็ไม่กลัวได้เรามีฐานมีศิลป์เปนพื้แล้วพุทธเจ้ารับรองว่าอย่างมรรคตะวันแล้วถึงตายก็ไปตะวันไม่กลัวแล้วถ้ามีพนาด้วย่งมันคงยี่แต่ก่อนนั้นยังบดบันพันพึ่งมากพอจิตมันเริ่มสมบุกสมบัติแล้วมันกิพลังใจขึ้นมาจากคนเหมือนกันผู้หญิงก็ตกกันเนี่ยมือแบ่ มันจะเจ็กปดแค่ไหนล่ะตบๆ ก, ก, กันผู้ชายเขาใก้ำปั้นเอานิ้วรวมนิ้วทั้งเองมันกลายเป็นคำปั้นมันทำให้เกิดความตองอกขึ้นมาเรียกว่าเป็นรโลพลังฉะนั้นที่นั่งในทา่าคตมาทีนี้รวมขาแล้วก็รวมมือแล้วก็รวมตา เมื่อรวมตาแล้วเราไม่เริ่มมีเรื่องจะคุยมันก็ตํางกับตาอยู่เรียเป็นจะพูดแดงทำนี้ก็เรียกว่ามาให้ตังคข้าใจในเรื่องของความตกภายในเมื่อเราเข้าจิตดีแล้วพันบอกว่าวันหนึ่งก็หนึ่งเนี่ยเราไปรู้เรื่องของตรง น, นี้ยเยอลยแต่เราไม่เคยรู้เรื่องตัวเราตอนนี้ทดลองดูดิ ไม่ต้องไปจำที่เขาเรียกตามชื่อก็ได้เขานัง่งตัยสบายนี้แหละคำบนดเอาจิตกำหนดตัวงายไม่รู้อะไรอรอกจิตคำหนดที่ฝาเทา้าลึกไปที่ฝ่าเทา้าหลังเทา้าแล้วก็ลิ้วเทา้าเล็บเทา้าฝ่าเทา้ายังมีต้นเท้าอีก ข้างบนก็เป็นนิ้วเท้าเม็บเท้าหลังเท้ามาถึงข้อเท้าก็เป็นมีตะกุมนหน่อยนขึ้นมาก็เป็นปลายขาขึ้นมาส่งไปเรียกว่าเ ข, าข่าข้เขาด้านหน้านเรียกว่าแข้งด้านหลังเรียกว่าน่ อ, อ, นองขึ้นใบจากข้อเท้าเล็กน่อยก็ค่อยใหญ่ขึ้นทีนีวเข่าก็เริ่มจะใหญ่แล้วแข้งตรงข้อเขานี้ แล้วขึ้นไปเป็นต้นขาแล้วต้นขาเขาใหญ่ยิ่งกวบภูเขาที่ใหญ่กับปลายขาที่ต้นขาลำรอขารกตโพกต้านล่งางที่บก้นก้นยังมีถวานาันหนักอขึ้นไปวเวต า, าเอลลำรอบตะโพกมันขายเวตเอลมันคอดออหน่อยนึง ด้านหน้าเรียกว่าทองน้อยทองน้อยนี่มีตะ ว, วันเบาอิตาเนอรเตมเอฟเฟนดัง้งท้อง้อก็เป็นท้องธรรมดาขึ้นไปเป็นอกเป็นช่วงอกไปชนทีรักแล้วขวนเรียกวไหลแล้วนึกลงมาต้ ง, งต้อแขนตกะนึกลงมาที่กอกตอลงมาที่ รายแขนมีข้อมือแล้วก็วล้ง ม, ม, มือนิ้วมือเล็บมือฝ่ามือเล็บมือนิ้วมือเหมือนกันกันนะไม่รู้ข้อมือแต่แล้วก็ควนคืนขึ้นไปของมือเท้าให้มันคลอดแล้วก็ขึ้นไปเท่าไหร่เท่าไหร่ที่รวมก็เป็นที่เรียกว่า เป็นต้นคอแล้วถงใหาบรรลาต้นคอเป็นลาคอขึ้นไปด้านหน้าก็เป็นตัน้งแต่คางเป็นริมพี่ปากเป็นฟันอยู่ข้างในในปากมีลิ้นมีเหนือขึ้นไปเป็นจมูกเป็นช่องจมูกเป็นเลี่ยวดังจมูกจมูกขึ้นไป ขึ้นไปก็เป็นตาเป็นหนังตาเป็นลูกตาเป็นขนตาขึ้นไปเป็นคิ้วเป็นขนคิ้วตรงนี้เป็นหน้าผากขึ้นไปเป็นศีรษมีผมทุ่นจ้าเรียกกระหมอมจากขระมอมแล้ลงมาข้างๆก็ลงมาเป็นขมับแล้วสองข้างตรงมาก็เป็นใบหู สองข้างมีช่องหูใบหูลงมาก็เป็นแก้มเป็นแก้มลงมามาจบกันตรงค้ามตรงมาด้านหน้าด้านข้างก็เป็นรูปที่ตัาของเรารูยตานี้รูให้นอกเ็าจะเห็นความสวยงามต่างกันไปมีตกแต่งใบหน้า มีเพื่อนมออาอ้างบ้าอะไรบ้างมีกังหันบ้างอะไร่างเหล่านี้ถ้ามองธรรมดาก็จะเห็นหน้าตาเตว่าลอยน้ํำตาลกันไปชิว้วขึ้นไปตาลกันไปแต่มองลึกเข้าไปแล้วมองใน ต, ตัวเองมองลึกเข้ามาแล้วมันเป็นจยาบหนังภายนองเป็นเนื้อ มันเป็นเลือดมันเป็นกระดูกมันเป็นหัวกรกแล้วราเนี่ข้างในเป็นมันสมองแล้วก็มีลักษณะที่เรียกว่าถ้านคิดเฉยๆอาจจะไม่ค่ยชัดต้องไปเคยดูรูปมาบ้านแล้วยิ่งไปดูของจริงโดยเยพางนี้ สำนักตะโกนี้เรเคยเห็นหัวกะโหลกมาแล้วมันก็แปลกว่าถ้านิสัยคนเราหน่าตาคนเราก็ดูดีหรอกแต่เป็นหัวโหลกแล้วมันดูแล้วมันน่าเกลียดเอาป่วยเจ้ก่อนเหมือนกันทั้งนี้ว่าเ้าเห็นหัวรโหลกคนหนึ่งเรากลัวหัวกระโหลกเจ้ของอยู่ในตัวนี่กับเฉยเฉยไม่ได้เห็นรูปน่ากลัวเลยเลยไม่น่าเกลียดเลยนี่ตรงนี้สมมติว่ามันก็แปลกว่า ไป็นนองเขาแล้วส่วนหน้าเกดก็ น, น่าเกลียดน่ากลัวๆแต่โดยทีมันเห็นหน้าตัวตัวมันเกิดเป็นหน้ารักไปนั้นที่วิจัยเขมาขา้างในนี้คือท่านบอกว่าเพื่อไล่เรียนตัวเราตามจิตจากด้านทิศ ท, ทางแล้วก็มาที่คอแต่ก่อนนั้นจากพื้นเท้าขึ้นมาที่ขาลงก็เลยจับปลายผมลงไป จากเป็นต้นปอเป็นไหลเป็นลูกแรกต้นแลขนขอดเอาะหแนขนข้อมือเป็นฝ่ามือมิ้มือเล็บมือฝ่ามือจะไปขึ้นพื้นกับข้อมือไปที่ตรงแดงที่ไหลลงทีนี่ลงรำตัวแล้วตอนแรกเป็นอกตอนหลังเป็นแื่สี่ข้างแล้วลงมาที่ข้างลงมาที่ ดังแจะเอวดันดูให้นอกถ้าพูดถึงมีเสื้อผ้าภานั้นเราก็รูสว อ, อย่างหนึ่งแต่เมื่อดูในเรื่องของมีแต่นังมีแต่เนื้อข้างในเป็นเลืออเป็นเอเป็นกระดูกตีโครงบ้างเลือกเข้าไปเป็นหัวใจบ้างเป็นปอดบ้างเป็นตับบ้างเป็นไตบ้าง เรือนี้เรียกว่าถ้าเรามากำหนดเฉยๆนี่คนใ้ใหม่ไม่เคยเห็นหรอกต้องนึกภาพใจนึกภาพที่ชักเขาต้องไปดูที่เขาแสดงไว้เดนนี่มีบางแห่งเช่นหลวงวันสินลาดนี้เขาฝึิพันไกลภาคไว้เขาจะมีส่วนไอ้มะน้อยใหญ่ของคนเรา ทั้งตัวบ้างทั้งฝวนด้านส่วนในบ้างส่วนหัวส่วนลาตั ว, วบ้างส่วนขาส่วนกระดูกบ้างเมื่อเราอยากจะพิจารณาัญหา น, นี้คุณไปหาดูบ้างแล้วหาดูที่เขาแสดงของจริงนี่การนั่งดูตัวเองก็จะประทับใจมากขึ้นหน่อยรู้เก็ว่ามันจะพอนึกของจริงได้บ้าง แต่เขาไม่เคยดูแล้วนึกถึงบอดก็ไม่รู้มันปัสสาวจริงๆไปนยนงไงถึงเขาใจก็ไม่รู้ที่ปไปยังไงยิ่งตับยิ่งไตรู้อยู่เห็นภาพวาดอยูแต่ภาพจริงก็หาดูยากต้องตำหนาแท้เดีนี้นักศึกมาบางแห่งมันจะมีเริ่มลงมาแล้วลงแต่วน้อยใหญ่ให้คนพิการเข้ามาาลงมาถึง ทองแล้ก็มีเพราะมีใกล้ใหกน้อยลงมาจนถึงที่ว่าเอวแล้วก็ดันอบร่าเป็นตะโพกดันหน้าก็เป็นอย่างที่พี่พี่พี่นายแล้วเป็นทองเป็นตะโดยเป็นน้อยเป็นตะวันเบาหน้าหังก็เป็นก้นเป็นวันหนักเป็นต้นขาเป็นภูเขาเป็น ไายผ้าเป็นหนาแก่เป็นน่องเป็นก้เท้าหนังเท้าเดือยเท้าเดเท้าขาดเท้านเทาก็เป็นอันว่าวันหนึ่งก็นึ่งเรามีการคิดกนันนังอย่างนี้มาหน่อยหรือว่านั่งคำนวณรายจีแล้วกระเพ้งแต่คำนวณอย่างเดียวแต่ทางพระบอกว่าคนสามัญ น, นั้นอะ เห็นกายของงามที่เลกตามมันก็จะคมเลิกพระจึงเรียกว่าให้คลกระแสเห็นกายขาเขาไ ม, ม่งามกิเลสการอย่างทุกข์ทมาร์แต่ที่คนทาอันนั้นเขาเห็นคุณุ่งตามเนี่ยเขาเรียกกรรมาคุณทามมาคุณเขาไม่เคยเห็นมันกรรมาโทษต่อเมื่อมันเกิดโทษเสร็จแล้วมันเกิดดูกันแล้ว ห้องขัดแคลนแล้วความเห็นไม่ลงกันแล้วผลโยชนขัดกันแล้วมีคนยุยงให้แตกกันแล้วมีคนอื่นมาเกี่ยวข้อ ง, องกับแกแล้วให้มันฆ่ากันได้มันทำร้ายกันได้แทบไม่น่าเชื่อเลยถ้าไม่มีรู้ไม่ตาแล้ววั น, น, น, น ด, ดีก็ยำทำร้ายกันเข็นฆ่ากันทอดทิ้กันจนทาให้ทังคมเด็กที่โตขึ้นมีปัญหาชีวิตนะั้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องครอบครัวแต่ yeah. งแยกครอบครัวไม่เป็นฐานิสตุพ่อกับแม่ทะเกันทุกวันให้พ่ อ, ขอเขากินเหล้าแม่ขเขาบอดได้ดัมานั้นต่างคนดังสับหานทรัพย์ให้ลูกหลานก็พอให้ไปเที่ยวกับเพื่อนปู่เพื่อนนี้ก็ดูตำนาเขาทำกานบ้านเขาไอ้เพื่อนเท่ๆด้วยกันเอาไปชวนเที่ยวไวปทะเ ก็เลยยิ่งเลี้ยวไยลไปใหญ่นี่แสดงว่าขาดอบรมทางด้านธรรมะทำให้ปัญหาตังคมเยอะแต่เมื่อเราเอาหิทย์พิจารณาแก้ในก็ดีแก้มาในเราก็แก้เองกับครอบครัวเราคือถ้าเบิกเรื่องธรรมะสมอนี่กระแ บ, บ่งมันมืันนี่ทำมีจถาพมันนี่มนไม่จะาก็ม่นี่จะทำ ครับพันยาศรัทธาไม่หมว่าจะเอาไปที่ไปทั้งคูนั้นน่ะน้อยที่ไปทางบ้านน้ำท่านไปทานาไปทั้งคู่ละ น, น้อยอยงนี้มันเป็นเรว่าบางคนลเกิดที่ไปนี่วัดมากกวจไม่พอใจแล้วทําไมเธอมอาดูแลครอบครัวเที่ยวไปวัดไปวัดเรื่อยๆเอาแล้วทัศานเนี่นยทัน่าแล้วมันเคลิไปแล้วนี่ ดีไมนดีไม่ว่าใครแล้วว่าชวนให้คู่คองเขาหน่อใจหรือย่างไรว่าอ่างเกินก็เพราะว่าคนหนึ่งเมาเมาในเรื่องของครามอีคนนี้จะเห็นโทษสงคามแล้วว่าเมื่ก่อนก่อนได้กันนี่โอ้ยอ้เข้าใจกันทุกอย่างดีทนเดียวอันนี้พอได้กันไม่ทันนานเลยเแล้วความเห็นที่ไม่ลงกันแล้วเรื่อง ความเพกเฉยผิดใจแล้วก็เพราะอะไรมันขาดจินทำเป็นการกามเหมือนกันทังกานที่เราพนันกํนามฐ า, านเนี่ยคือเพื่อมันดูธรรมชาติธรรมชาติของเราทั้งเรื่องของกายทัง้งเองของจิตจิตนี้เป็นธาตุรู้มันมีรูปร่างเรียกอัตหลังจิตนี้เวลานี้มันอยู่ในขวานตะยังอยู่ในอะไรทยวทัตถุ เดี๋ยวบางที่บางท่านก็ไหวยอยู่ในสมองก็มีแต่มันแรพร่่านเรื่องของจิ ต, นนตเนี่ยแพร่านในตัวเราเนี่ยเช่นปดแคลมันก็ปดขานี่จิตของเราไปโหนตรงนั้นอะต้องแคลนของขานนะปดหัวจิตก็ไปโหนตงหัวความจริงที่ว่าแค่นขาปวดนั้น่ะวิจัยตามจริงแล้วแคลขามันเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมไฟเป็นกระดูก เป็นหนังเป็นเนือ้อเป็นเอเ็น เ, อเป็นเลือดเป็นไขมันมันจะปวดเจ็บได้อย่างไรแล้วปวดหัวก็หัวมันเป็นกโกรกเป็นท่านซิงมีเลือดมีหนังมีเนื้อมีเอ็น ม, ม, ม, มีโกรดต่งนี้ ม, นมันไม่ปวดไม่ไเจ็บอะไรหรอกท้องปวดท้องท้องก็ไม่รู้อย่างไรจิต ที่มันไปห่วงกายนั่นแหละนั้นปวดแต่จิตตัวนี้แท้มันก็ไม่ปวดอะไรแล้วนั้นอาจารย์ถานฉันดีท่านบอกว่านั่นคำถานลแล้วมันปวดคนไม่ไหวต้องเลิกแล้วเียบไปก็บ้างแล้ววันหนึ่งมองใจสู้เลยนวิจัยวิจา ย, จายแล้วก้อนเนื้อหนังทั้งแขนทั้งกายนั้นมันเป็นธาตุไม่รู้ดินไยมันจะปวดอะไรแล้ว อห้ hey, ทำไมถึงเราปวดปวดปวดทนลองเอาชิงมาจากทันทีนี่ลองเพ่งปวดทาปวดเจ็บท่นเจ็บแล้วไม่ข ย, ยับพระเจ้าหรอกเอาเป็นไงเป็นกันเราเกิดมาเราไม่มีรรตงรงร่างตายไปก็าทิ้งตรงร่างเนี้ยเป็นไงเปนกันเกิดเมนจิตเราต้องกบปุ๊บเข้ามาเนี่ไม่รู้หายปวดยังไยมาหายปุ๊บไปเลยเพราะอะไร ทางาพรเรียกจิตรวมจิตที่มันแปรธาเ น, นี่ยมันมีรว ม, มก็ปวดนั่นเจ็บนั่นวิจารนนวิจาร น, นี้ลอยใจนั่นลอยใจนี้ถ้าจิตรวมตัวเดียวนั่นแหละมันก็เลยเบาไปใช่แล้วไม่กำเนงลนะเรียกว่าไม่ไม่กำเนงว่าจะอะไรเกิดขึ้นแนละ้เาเรียกว่าเพราะว่าใจเรามีที่อยู่แล้วฉะนั้นเรื่องคนที่มัเยคยเป็นคถานนี้ไม่รู้คนหน่อยก็ บางทีก็องเสียละถ้าเผื่อเราเข้าใจว่าอ๋อเรื่องของเขาก็เรื่องเขาเน่เรื่องเราเรื่องเราแล้วพิกจิตมาเพื่ออะไรล่ะพกจิตมาควบคุมใจไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งมันร้องที่เราระวังให้หมระวัง น, น, นั่ น, นคือว่าเพื่อว่าบางคนทำใจไม่ได้เขาจะวั่นไหนบ้าง แต่ว่าคนที่มั่นคงแล้วให้เกิดขึงตามทีจะฟ้าผ่ า, นน ก, าก็ดีเขียนว่าชนก็ดีถูกดักกัดก็ดีเราไม่ส่งใจไปยุ่งกับเขาหรอกเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเองดิหันกับตัวใจกันว่าว่าแวกหรือเปล่าห ว, วั่นไหบบวไหรือเปล่าวุ่นไหวหรือเปล่าถ้าจิตไม่เคยฝึกแล้วมันต้องหวั่นไหววุ่นไหวอยู่ดีอะเ้อะไรเกิดขึ้นยู่นี้แต่เรา เมื่อเรานั่งคำนัท น, นย่ยเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเองแต่เราจะสงบลงนับอยู่กับตัวเราจิตเรานี่ก็าเรียกว่าใครทําได้แล้วทิจะอ๋อที่เขาเรียกว่าความุกเกิดใจจิตสงบเนี่ยมันไม่ต้องซื้อต้องหาแต่ต้องทําเองนั่นเ็นว่าเรื่องของุกตะกีเนี่ยทุกทาง ทกกเรต่องถ้าัดนี่ต้องเองไม่ตรเป็นตนใหญ่เรียกอภิสุขคุณต้องเองมันมีทรัพพอคุณต้องมีสุขภาพดีพอคุณที่ได้ความดุอย่างนั้นแต่ว่ามันนั่งเฉยมันถุกนี่ไปแต่มันก็ต้องมีการฝุดเพราะงั้นไม่ใช่นัง่งให้ใจจะถุกคนที่ไม่เข้าใจเรื่องนักภาวนาเห็นเ่าดันกุ่งกง้มเนี่ยให้ยมาถี่เวลาทําไมเนี่ยมันการมีมันไม่ทํามันนั่งไม่เฉยทําไม ผู้รู้พัฒเกดูคุณดูสิถ้าคนนั่งเล่นเนี่ยชั่วท่าทีมันขยับแล้วเดี๋ยวขยับหน้ า, าตาแล้วขยับศีรษะแล้วขยับตัวแล้วคุณรู้ก็ดีเลยเขานั่งกรรมฐานเนี่ยถ้าเขานั่งจนชานาญแล้วเนี่ยครึ่งว่างครึ่งว่างแล้วนิ่งว่างนิงแล้วปรากฏว่ามันนิ่งมันแน่วเลยอย่างที่กรรมฐานเขาเรียกว่า เพราะจิตสงบจิตตั้งมั่นแล้วมันจะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งภายนอกนี่เรียกว่าเป็นคุณต่อชีวิตจิตใจเจ้าของเองพี่เป็นคนเราเครียดมิตก c h กังวลเจ้าตศกเสียใจนั้นเพราะคุมจิตไม่ได้ตัวเดียวถ้าคุมจิตได้ตัวเดียวแล้วก็เห็นทุกอย่างเป็นธรมธรมดาธรรมาเขาจะ ทันเตืนก็นธรรมดาคนาออนธรรมาดาเลยแม่หลายต่อเรื่องเขาจะได้ลาบกธรรมดาเรื่องหน้ากธรรมดาเก็บยดัดเลยได้รับยัดธรรมดาเงน่นรร น, น, นิทานท่นเตือนกทุกแต่เจ้าของจะต้องใครก่อนว่าทำไมมันได้ลกมันเพราะอะไรเราตอนนั้นมันขยนันเพื่อแต่พรมีเพื่อนปฏิมาใจทำคว ตอนนี้เราเติบราบละมันมีเงนเหลือเล็กเลยเผลออะไรเทีเกลีแล้วอ๋อเที่ยงเกลีแล้วไอ้เรื่องขอเพื่อนผมไม่ดีก็เริ่มเข้ามาแล้วชวนเที่ยวเตะเที่ยเป้แล้วนี่เราเงินออมแล้วก็ไม่เคยออมแล้วเลยกลายว่าตอนท้มันเติมราบเาไรเประมาเรียกว่ามีรามีไพอแล้ว หารู้ว่าเรื่องของการได้มันก็คือได้พระเสียนี่บางทีเทไปที่ไปก็อยากรู้ตัวขึ้นควาแย่แล้วเพราะฉะนั้นบังทีมันเสียผู้ปาิัก็ยินหนักไปอีกอการทาบัญทานนี้จึงเป็นเรื่องฝึกเจ้าของเองแต่อาไสยหมู่คณะช่วยอาิบายสิวงตร้มาลอมช่วยอาศัยครูอาจารย์ช่วยนั้นบางรย ทำกับบ้านนี้ไม่ค่อยสะดวสบายท่านเรียนทำได้จังเขาเหมือนกันแต่เพราะว่าทางบ้านเราผู้เกี่ยวข้องเขาคิดว่าเขาทำคลัวบ้างดูรสชาติบ้างอะไรบ้างมันก็เลยบรรยากาศมันไม่ดีมีเสียงรื้ึกโครอบบ้างท่า น, นบางรายต้องการฝึกจิตใหม่ๆ จึงต้องไปอยู่ที่วัดบ้างไปที่วัดป่าบางแห่งบ้างได้นะไม่ไว่าให้ต้องไปวัดป่าใกล้ๆน่าวัดใกล้ๆอาจารย์ก็ไม่ค่อยเรียนรูงง้จากในประเทศดีก็เลยเรียกว่ามันกป็นระยะเหมือน ก, กันที่รัฐก็เปิดดีๆแล้วเปิดดีๆบ้างเอาแต่บรรยากาศมันก็เหมือนกับที่ของจริงพอเที่ยวจริงนั้น ไม่เหยียเสียงอาจารย์อบรมไม่เฉยหรอกที่มันร้องมันช่วยแล้วก็ผู้ตั้งใจเขาไปบําเพ็ญด้วยกันแล้วเราจะไปทําแม้าจะหนักจังมันก็ถูกเขาไม่ได้หรือว่าอ า, ายเขาเหมือนกันก็เลยพิงมันร้องอุคค้นมันร้องหรือวิญญาณนี้จึงมีตัวนช่วยเราได้เข้าใจในเรื่องของ ความตกสนใจนที่คุณจะรองรองว่าสุกองินยิ่งข้อสอบไม่มีนัดเตะนันเระไปกอ น, น, น, นสัขขงเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้สำหรับตักภาวนาแต่คนไม่ภาวนาแล้วโอ้ยมันยากไม่นั่งภาวนาผมไปเที่ยวเฮฮาไปดูหลังวงเพลงนี่นก็แข่นให้็ุ้ถกแล้วก็นั่นแหละคุณก็ตกตกไปซะ ลงคนไม่มีเงินที่จะผ่านประตะูซื้อบัตรแฟนดูเข้าไปให้ที่คนคอยดูก็ดูไม่ได้แล้วเคยฟังเราไม่ได้แล้วเอา้าคุณจะมีเงินดีถูกภาพคนเสียแล้วคุณไม่สบายแล้วเดินไม่ค่อยได้แล้วแก่แล้วยิ่งยังติดทุกอยู่ทั้งขาน่างยยิ่งทุกข์หลักเพียบนั้นการนี่เรามาบางสิ่เราทำนี้ ฟังเทศน์นะก็เป็นธรรมดาฟังเสียงแต่ว่าท่านนี้ท่านมักจะนําให้เราทํำใจไปด้วยเมื่อตรวจร่างกายเราสมบูรแล้วก็จะมาหาแต่จุดๆหนึ่งซึ่งพุทองค์เราทรงพิจารณาแล้วเห็นว่าในตัวเรานี้ยอาหารก็สําคัญเสื้อผ้าก็สําคัญที่อยู่ก็สําคัญยาสำคัญเยาโลชั่นคัญ แต่มันขาดมันไม่ตายทันทีเลยแม้ขาดยาก็ไม่ตายทันทีแต่ขาดลมหายใจนี่มันตายเร็วที่สุดเลยสาเดือนีตายละไม่มีเตนเลี้ยงสมองตายละโดยการนี้ลนะผู้ทรงตอนนั้นเป็นศะวงโรยตรันจึงทรงเพียนเพ่งดีตายเฉมุกตายนาติไปสังเกตที่อาปิสาปตะลัดมออก เราก็มีเราไม่ใจก็ออกแค่เดียวกับโขแล้วไอ้จิตการรู้เหมือนกันแล้วมก็ไปหมอกกรู้ลมหายใจก็ออกเหมือนกันทําไมเราไม่ เ, ออกกเมคยสงบละ่ะสติสัญญาของเรามันไม่ถึงด้านความเพียรของเราไม่ถึ ง, งททั้านเพราะทนด้นเราไม่ถึงด้นนั้นเขาจึงมีการตั้งสงความเพียรจะเป็นวิญญาณบารมีขึ้นมา อดทนฝึกทั้งเป็นคันเดียวมีขึ้นมาแล้วต้องขั้งเป็นสติปัญญาเป็นเรื่องของความมุ่งมันเพราะว่าทาั้งเงินทองทางโรกของหยากกันใดเรื่องของอจิตใจที่สบงบสะอาจของสายเหล่านี้ก็ต้องใช้เวลาใช้ความพยายามไม่ใช่เลยเมืออกันถ้าจว่าไปแล้ว จะต้องเข้าใจพราของธรรมะมางอย่างเหมือนกันเช่นความเพียร น, นี้ทั้งโลกเขาเพียรเพียรธรรมะกินเพียรเก็บอรมนี้แต่สถานี้มุ่งทางนัน่นบุญกุศลว่าเพียรต้องอ้องบาปเพียรละบาปแล้วก็เพียรเผ่นบุญเพียรละท้า บ, บุญให้คงอยู่เป็นเรื่องมามุ่งทางนัน่นบนบาปเป็นใหญ่ ซึ่งเรียกว่าทางใครที่เห็นประโยชน์ของจิตใจแล้วก็ควรจะมีการแบ่งเวลาศึกษาธรรมสำคัญคือประบัติธรรมไปด้วยศึกษาปริยัติเลโนกูอคำทีต้องวัดดีทิ้งชนักเดสไปด้วยพอเป็นไบเวทรู้แล้วคนทุกนี้ต้องใช้เวลาไม่ใช่น้อยแต่ว่าใครรู้ได้ว่า ของเกเรามีมากน้อยเป็นไรเพียงแคนั่งเดนี้ก็น้อยกว่าผู้ที่ทํางานหรือผู้ที่ไปรับพนันอย่างเป็นตัวน้อยกว่านั้นเห็นว่าเรื่องโรคทุกวนันนี้เรื่องตุกโรคีนี่มันทั่วไปแล้วก็มีการคิดหาความดุกในรูปแบบต่างๆมาเผยแพร่เป็นเรื่องการที่นั่งเกี่ยววันนี้ อาหารเที่ยวอร่อยก็ดีเพียงไหนที่ร้องก็ดีนังดีงไหนที่แก่งก็เขาจะมีการเยผยแพ่ในเรื่องที่แสดงหาำกำตอบทางโกูกีนี้ามากมายแล้วกคนก็ติดตามกันไปเที่ยวเทียอะไาไม่ว่าราแพ็คเกเที่ยอตัวนั้ น, น, นไปปรเทศไปประเทศนี้ทานั้นทานั้นปร่เทนี้ก็เรียกว่าเพราะความอยากไปเ็ต้ององเสีย แต่ว่าความสุกที่เหนือกว่าไปนานกว่ามันอยู่ที่ตัวเรากับจิตใจเราที่ฝึกนีแล้วแล้วทั้งโลกของไปแค่หมดลมมันานามีทั้งหลายความสมบูรเนี่ยมันไปแค่ลมใหญ่ท้ายแล้วคุณหาต็มที่จะตายพอหมดลมแล้วไม่รู้เป็นเต็มที่ของไทรแต่สิ่งทำาคุณแล้วขาด่ะสินทรัพย์ไปแค่หมดลมทิ้ น, นทํามพามไปถึง ชั้นหน้าในถึงหมดกิเลาโน้นรับานอีพละกายให้ฐานอีกพิง ใ, ใจเข้าใจไหมว่ามันได้ข้อมีใจเข้ามาภายในมันจะเป็นขะเบียงกุ่นไปถึงชันหน้าด้หรือเล่นกีราพลกายนัง ก, กีฬาฉันเนี้ยพอแก่ๆ แ, แล้วก็หมดหมดท่าแล้วไม่มีแรงจะเล่นแล้วแต่ว่าเรื่องภาวนานี้แบบยิ่งแกยิ่ง สามารถยิ่งแก่ยิ่งจะมีความสงบมากยิ่งมีความถุขมากจิตใจก็เ้าสบายแนละ้วหรือว่าคือเห็นสภาพต่างๆแก่เจ็บตายมันเป็นของไหนไม่พน้นเมื่อเรารู้ว่ามันมันหนีพ้นตายไม่ได้แล้วก็หาทางบุญต้อง่อนตายไปไม่ใหญ่ว่า ไดแล้วั้หมนะีไม่ดีถูงไม่ถูกมีชนะายไรก็ไม่ช น, นะพุณพระรงแสดงมาชัดว่าเกิดมาไม่เ่ากันเพราะมันมี อ, อดีตที่มัน่ากันมาแล้วอดีตชาตก่อนอ น, น, นาคาน่าเราไม่รู้หรอกแ่แงมัได้ว่าถ้าเือว่าเรารูจากวันก่อนวันนี้วันนี้วันหน้าก็พออ่าได้ว่า อ, อ๋อ ถ้าของเรานี้วันนี้มันดีวันก่อนทรมดัดีวันนี้ไม่ดีเพราะวันก่อนทำมัไม่ดีวันนี้ทำดีวันหน้ามันดีขึ้นก็เคยให้ตัวเป็นเรือนเป็นปีมาเป็นชาติเหมือนกันว่าที่เกิดมาดีนั้นพอแสดงว่าชาติก่อนทำมดัดีเกิดมาไม่ดีนั้นแสดงชาติก่อนทำไม่ดีอันนี้มาอย่างนี้แล้วไป ง, งน้นาคตเหมือนกัน จากวนนั้นก็พอขง้นเกได้พอย่างอย่งไม่ใู่แต่ชนะเลยยังไม่รู้แต่ไม่รู้อันว่านาะว่าก็ชาตินี้เรามีฐานในทินพนานดีจะโก้ชานาทำไมแล้วถึงกลัวก็ตกตายก็เราเชื่อพระแล้วจิตใจเรามันคงปลอดภัยสงบเลยไม่กลัวตายไปด้วยตรงเนี้จะบอกว่าคนรวยยิ่งกลัวตายเพราะได้ได้เงินที่หาไว้ใช้เมื่อวันกันหมด คนมีความสุกขภายนอกมากเทนยัยตายแล้วจะขายควาดกุลงนี้แต่เรามาว่าถึงเทนัยเนี้ยเทใจก็ตามมันต้องพัดได้อย่างเนี้ของนะของใจต้องพัดได้อยดีแต่เรามีจิตใจที่ฝึกนี้แล้วนั้นเราก็ปล่อยวางง่าเห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยมอย่างพี่นั่นถึงวันอะไรมากเลยอะไรที่พอเอาแ ต, ต่ได้ก็ได้ไป เมื่อเกินไปแล้วก็ต้องปล่อยวางไปอย่างน้อยพวกเรานี่็จะมีหลักใจไม่มากก็น้อยแต่เมื่อ้าใจแล้วแล้วพยายามจะไปเติ ม, เ ต, ม, มเติมความรู้ความใจเติมความเป็นไปอีกทีหนึง่งเพราะกันอบรมธมรรมะเป็นครั้งคราวนี้เพื่อเพื่อกระตุ้นให้เราเกิดจิตสำนึกว่าสุกโลกีเนะี่คขนหาทั้งโลกแต่ถูกท่องโลกอุตลางนี่ มันจะมีสักกี่ ค, คนสนใจแต่มนเป็นคำบอกที่พระเจ้าและภริายาทั้งหลายได้ประสบการแล้วประสบได้สมผัดแล้วถึงรับรองว่าอย่าท่องสายคำสอนที่เจ้าเลยเพราะท่านเจ้าเี็นผู้รู้คำสอนนั่นก็ประกอบด้วยสมมูลทุ อ, อย่างทั้งเกตุทั้งผลรวบยอดคือว่าความชั่วทำให้เกินแต่ร้อนถ้าภาริยไปนอก ค น, น, นคดีท้งภายในความดุกทั้งภายในภานอกคําช่วยเยกับบาปคํามดีกับบุญถ้าทาําบากวาขาดทุนถ้ามันเรื่อำไรนั่นเรียกว่ากำไรทางจิตใจนี้เป็นของเฉพาะตัวใครทำไค้ได้ท่านบอกว่าการที่เรามีตัณหาฟังเที่ยวทำนี้ไม่รายใด้ัหนึ่งก็ทำให้เราได้อ่างไคิดในใ จ, จิตใจบ้าง เพราะว่าในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วอะไรที่ไม่ดีก็ควรจะเว้นอะไรที่ดีควรทำเพนเพราะอในเพื่อเราเองลงได้คือใช้จิตส่องใสพุทธเจ้าบอกว่าละบาปบำเพ็ญบุญลูต้นส่องใสที่รู้ใจพุทธนาคือจะขอยุติเพียงตัวนี้ขอความสวัสดีอุณิท่านหลายโดยทุนการเอว